คำถาม 1 และตอนนอนหลับและฝันไปขันทั้ง 5 นี้ทํางาน น้าอ๋อคําถามแลกันนะอ่าว่าเอ่อเวลาหลับใช่มั้ยเวลาหลับจิตทํางานอย่างไรอะไรอย่างงี้ 4 ขันนี้นี้นะ แล้วเวลาไปอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารก็คือตัวความคิดความกายร่างกายนอนหลับหมดแรงใช่มั้ยฟีลขาดนะเหมือนไอ้พวกขับรถนาน เพราะนร่างกายมันก็มีลิมิตของมันมีว่ามันจบแค่นี้ถ้ามันไม่ไหวละเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมาเกาะร่างกายสั่งอะไรร่างกายไม่ได้ละร่างกายไม่เอาพวกนามธรรมเหล่านี้มันเลยเราเลยมีความรู้สึกเป็น มีความจริงจังในความฝันมากเลยเหมือนเหล่าเป๊ะเลยอย่าง เห็นไม่ดีก็ทุกข์เห็นดีก็สุขอย่าไปเชื่อมันอนิจจัง เวลาอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเราไม่อยากให้เกิดเพราะๆเราจะไปห้ามอะไรมันได้ ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะสามารถสัมพุทธะยังแก่เจ็บตายเลยอย่างนี้นะก็อย่าไปใส่ใจกับมันเรื่องความฝันนะรับรู้แล้ววางไปรับรู้รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเนี่ยก็ <word> นะสามารถถึงจะเป็นรู้ในความฝันรู้ในภาวะที่ตื่นอยู่อย่างนี้นี่ไง